ต่อ น, นี้ไปเพิ่งพากันตั้งสติสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ใจนี่จะตั้งมั่นอยู่ได้ก็าอาศัยสติเท่านั้นแหละถ้าขาดสติแล้วจิตนี่จะตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็พระพุทธเจ้าจึง ตรัสว่าสตินี้จำต้องปราถนาทุกเมื่อมีสติแล้วก็ต้องมีสัมปชัญญะคู่กันสติแปลว่าความระลึกได้สัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัว ถ้าขาดสัมปชัญญะแล้วสตินี่มันจะลึกระลึกส่งไปข้างนอกนูน่นนอกกายนอกใจออกไปนูน่นมันจะไม่ระลึกเข้ามาหากายหาใจดัวนั้นต้องมีทั้งสองอย่างเ <c oughs> มื่อระลึกต้องระลึกเข้ามาหากายหาใจนี่ กายตั้งอยู่อย่างไรนั่งอยู่อย่างไรก็มากําหนดรู้ใจตั้งอยู่อย่างไรก็มากําหนดรู้อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะมันก็มายากอยู่ที่ความที่ไม่รู้ตัวนี่แหละ สำคัญนะถ้าคนเรานะรู้ตัวได้อยู่เสมอเสมอแล้วท่านว่าเป็นพระอระหันต์พระอระหันต์นั้นในตำราท่านกล่าวว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่นี่เป็นผู้ไม่หลงเป็นธรรมดานี่เลย เราต้องสังเกตดูฟังดูคิดดูว่าสตินี้สำคัญอย่างไรอันนอกจากพระอระหันต์แล้วอันสตินี้มันก็ยังมีบกพร่องอยู่บ้างจะไม่เต็มบริบูรณ์เหมือนพระอระหรันต์ เช่นพระอนาคามีพระชัติทาคามีพระโสดาบันอะไรพวกนี้ก็มีบกพร่องอยู่ตามกำลังของคุณธรรมที่ท่านได้บรรลุมากหรือน้อยเท่าไรนั่นแหละส่วนกัลยาณนชนเอาก็บกพร่องสติก็ย่อม อ่อนแอลงกว่าพระโสดาบันจะบุกคร่องคุณธรรมอื่นๆถ้าเป็นปุถุชนแล้วยิ่งบุกคร่องหลายสติสัมปชัญญะเหตุนันนะมันจึงระลึกถึงความดีไม่ได้ระลึกถึงความชั่วก็ไม่ได้ มันยังได้ทำชั่วไปปุถุชนคนผูนาไปด้วยกิเลส <c oughs> บางคนก็รู้โยบาปบุญคุณโทษแต่ว่าสติมันระลึกไม่ได้ในขณะที่มันจะทำชั่วนะมันมันระลึกไปแต่เรื่องชั่วมันไม่ได้ลึกถึงว่าความชั่วนั้นมันจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ มันจะนำทุกข์มาให้แกตนมันระลึกไม่ได้เลยมันนึกได้ว่าแต่จะต้องทำอย่างเดียวเท่านั้นแหละแต่บางคนนึกได้แต่หากไม่กลัวบาปบันนี้นึกได้อยู่มันเป็นบาปแต่ไม่กลัวบาปมันจึงทำได้คนเราถ้าถ้านึกได้ว่าอือนี่มันเป็นบาป บาปอันนี้มันจะตราตามสนองให้เป็นทุกข์ทั้งในโลกนี้โลกหน้าอย่างนี้มันก็งดเว้นเนี่ยไม่ทำไม่พูดสิ่งที่เป็นบาปนั้นนี่สติสัมปชัญญเนะี่ยมันสำคัญขนาดไหนแล้วเราต้องพิจารณาดูใครจะมีความรู้ ในธรรมในวินัยในคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มากมายเท่าไรก็ตามแต่ถ้าไม่ฝึกขนสติสัมปชัญญะนี่ให้เกิดขึ้นในตนแล้วมันจะไม่สามารถที่จะประพฤติรมเหล่านั้นให้เป็นไปได้เพียงแต่แค่จำได้เท่านั้นเอง เมื่อเมื่อสติอ่อนแอแล้วมันก็จําไม่ได้นานหรอกเดี๋ยวก็ลบเลือนไปทีละโน้ยละน้อยไปแหละอืคนที่เรียนรู้จําได้มากๆมานเนี่ยนะผู้ใดหมันละลึกทบทวนความรู้ความจําที่ตนได้เรียนมานั้นนะ่ะบ่อยๆเข้าอย่างนี้ธรรมวินัยที่ตนเรียนมานั้นก็ไม่ เสืมไปจากดวงกิดนี้หรือ ว, ว่าทำคาสอนที่ตนได้ยินได้ฟังมาที่จําได้จากคําสอนที่ท่านนามาแสดงให้ฟังโมนีมันก็จะไม่ลบเลือนไปจากกิดใจนี้ถ้าสติมันระลึกถึงแล้วสมปะชญญะก็น้อมคําสอนนั่นเข้ามาสู่ใจของตน ให้มาพิจารณาอยู่ภายในนี่อย่างนี้นะเมื่อมาพิจารณาเห็นธรรมะต่างๆอยู่นั้นมาปรากฏอยู่ในใจนี่เสมอๆไปแล้วก็มันจะจําได้เม่นยำไมไม่ลืมอืนึกถึงเวลาใดมันก็โผล่ขึ้นมาให้รู้ให้เห็นแหละธรร ม, มะเหล่านั้นนะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมัน แน่ น, นั้นให้พึ่งพากันเข้าใจพึงพากันฝึกสตินี่ให้มันระลึกเข้ามาภายในกายภายในใจนี่ให้มากแล้วก็ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้านะให้มากกลัวการระลึกถึงเรื่องอื่นสําหรับผู้ที่สนใจในธรรมะปฏิบัติแล้ว มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเอี่ยจิตใจอันนี้ถ้าหากว่าไม่มีคุณธรรมต่างๆเป็นเครื่องอยู่แล้วมันก็ไม่มีกำลังที่ะจะกาจัดกิเลสน้อยใหญ่ต่างๆให้เบาบางออกไปจากดวงกิจนี้ได้ผู้ที่ลากกิเลสได้นั้น ด้วยแต่ท่านมีคุณธรรมเป็นกําลังทั้งนั้นแหละเช่นอย่างว่าปัญญาอย่างนี้มันก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งนี่ปัญญาก็คือความรู้ความฉลาดอย่างนี้จะมันก็ต้องจัดเป็นธรรมะข้อหนึ่งสติสัมปชัญญะนี่ก็เป็นคุณธรรมอีกหมวดหนึ่ง วิริยะความเพียรอย่างนี้ก็เป็นพระธรรมเป็นคุณธรร ม, อมลองสังเกตดูสิถ้าว่าผู้ใดขี้เกียจขี้คร้านทำความดีนั่นก็ชื่อว่าเป็นผู้ขาดความเพียรไม่มีความเพียรอยู่ในใจ เหตุนั้นจึงได้เกียรติครานทำความดีนี่แหละความบกพร่องคุณธรรมเหล่านี้แล้วคนเหล่านั้นย่อมไม่สามารถที่จะก้าวหน้าไปได้เลยชีวิตนี้ไม่สามารถที่จะละอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ต่างๆให้น้อยเบาเบาวางออกไปจากดวงกิจนี้ได้ ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายอย่าเพิ่งลืมข้อคุณธรรมเหล่านี้ก็ไม่ใช่เป็นของลึกล้ำคำพีราพอะไรนักหนานะเส่นความอดความทนหมู่นี้ทุกคนก็รู้อยู่นี่รู้แล้วแต่ว่าไม่ไม่ปฏิบัติคือไม่กระทำให้เกิดให้มีขึ้นในใจ คุณธรรมนั่นมันก็ไม่ก็ไม่มีอยู่ในใจของผู้นั้นเซนท้าว่าผู้ใ ด, ด, ดหัอดทนต่อการละความชั่วทำความดีอย่างนี้น ะ, ะการละความชั่วนี่ก็ต้องใช้ความอดเหมือนกันเลยยกตัวอย่างเช่นความโกรธอย่างนี้เมื่อมันเกิดขึ้นในใจแล้วอย่างนี้ อดให้มันคุนอยู่แต่ในใจไม่แสดงออกมาทางกายทางวาจายความโกโรธนั้นมันก็เป็นพิษแต่ตัวเองเท่านั้นแะมันไม่ปล่อยพิษไปหาคนอื่นเมื่อทนอดทนเพ่งละมันอยู่อย่างนั้นะไม่นานมันก็ระงับไปเพราะว่าจิตใจไม่ส่งเสริมมัน เนี่ยการสร้างคุณธรรมขึ้นในใจเมื่อสร้างขึ้นได้แล้วมันก็กำจัดกิเลสออกไปจากดวงกิจนี้ได้ถ้าถึงละไม่ขาดได้ก็เรียกว่าตัดทอนให้มันเบาบางลงให้มันอ่อนกำลังลง <c oughs> ที่นี่ก็เคยพูดอยู่บ่อยๆอยู่เรื่องคุณธรรมนี่ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะมาจำกันไว้โก้โกโกๆเฉยๆมันเป็นอาที่ของเราจะท่องบำเพ็ญให้เกิด ใ, ให้มีขึ้นในจิตนี้ให้พากันเข้าใจฮิริโอตตะธรรมอย่างนี้ความละอายแก่ใจในอันที่จะทำความชั่วทั้งต่อหน้าชุมนุมชนและทั้งรับหลังคน อยู่คนเดียวก็ไม่ทําความชั่วอยู่กับคนหลายคนก็ไม่ทําความชั่วจึงเรียกว่าเป็นผู้มีหิริโอตตปะธรรมโ อ, โอตตปธรรมนั้นหมายถึงความกลัวกลัวกรคำชั่วที่ตนทําตนพูดออกไป น, นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในทั้งโลกนี้โลกหน้า นี่คุณธรรมเหล่านี้มันก็ต้องสร้างขึ้นในใจนะมันถึงมีได้ถ้าไม่นึกไม่คิดถึงเมื่อเวลามันคิดว่าจะทําความชั่วยอย่างนี้ถ้าเฮนิโอตรประธรรมอันนี้ไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นมันก็ทําความชั่วได้คนเราเป็นยางไงถ้าเมื่อะระลึกถึงคุณธรรมสองอย่างนี้ได้แล้วมันก็ถอย มันจะไม่ทำความชั่วได้ <c oughs> ก็จะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ไปเนี่ยการรักษาศีล น, นี้ก็ต้องมีฮิริโอตปะธรรมมีคุณธรรมสองอย่างนี้ประกอบด้วยศีลก็จึงบริสุทธิ์พุทธพ่องได้ไม่ด่างไม่พร้อยไม่ขาด แม้คุณธรรมอื่นๆที่บุคคลจะบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในใจได้ก่อเพราะอาศัยสติระลึกได้ก่อนระลึกถึงคุณธรรมนั้นก่อนนี่สมัเชิญยะแล้วก็ให้มากำหนดรู้ว่าคุณธรรมนั้นมีอยู่ในปัจจุบันนี้ เ, ออเกิดขึ้นในดวงจิตนี่แล้ว อาวพูดเรื่องสมาธิอย่างนี้นะสมาธินี่ถ้าว่าเราไม่มากำหนดรู้จิตอันตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็รู้ไม่ได้เลยว่าจิตตนเป็นสมาธิก็รู้ถัวไม่ได้นั่นแหละสมาธิจะมีได้ก็เพราะอาศัยสติสัมัสจิตและลึกเข้ามาในปัจจุบันนี้ เทดนท่านยั ง, งสอนให้นึกถึงลมหายใจเข้าออกเพราะว่าปัจจุบันนี้มันก็มีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่แค่ปัจจุบันนี้เทนี้นี้อดีตมันก็ล่วง ม, มาแล้วลมหายใจนั้นนะอนาคตมันก็ยังไม่ถึงหายใจไปไม่ถึงอนาคตนน่นก็มีแต่ หายใจเข้าหายใจออกอยู่ปัจจุบันปัจจุบันเท่านี้เองดังนั้นเมื่อมากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้เอาปัจจุบันนี่เป็นหลักเหละกิเลสอันใดมันมีอยู่ในใจนี่ใจยึดมั่นกิเลสอันใดไว้กิเลสอันนั้นมันก็จะแสดงบทบาทออกมาแล้วแบบนี้ มันจะมาปวนปั่นจิตอันนี้นะให้คิดให้สร่างไปในอดีตอนาคตเมื่อรู้ตัวว่านี่คือกิเลสมันจะมาผลักดันจิตนี้ให้สงบอยู่ไม่ได้พอ ร, รู้อย่างนี้แล้วก็มีสติควบคุมจิตนี้ไว้ให้มั่นคงบัดนี้มีขันติอดกั้น อดไม่คิดไม่นึกไปตามอำนาจของความอยากความปรารถนาต่างๆนั่นนะต้องอดนะไม่อดไม่ได้ถ้าไม่อดแล้วมันคิดแหละจิตนี้นะเมื่อสติมันอ่อนอยู่สติยังไม่แก่กล้าพอไม่สามารถจะควบคุมจิตนี้ให้หยุดคิดได้ก็ต้องอาศัยขันติความอดทนเนะี่ยอดกั้นนะ อดไม่คิดไม่นึกอะไรเลยนีแต่กำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันนี้ <c oughs> นี่ก็เรียกว่าเป็นการฝึกนะนั่นนี่การฝึกนี่เราต้องเอาปัจจุบันนี้เป็นหลักถ้าไปเอาอาดีตอนาคตมาเป็นหลักไม่ได้เลยจิตจะไม่ยอมสงบแล้ว ถ้ามันชอบใจอยาแค่นึกถึงแต่เรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วเอาเรื่องอดีตนั่นมาวิตกวิจาร์ยู่ในปัจจุบันนี้อยู่เนี่ยจิตมันก็สงบลงไม่ได้แล้วหลือไม่ฉะนั้นก็เอาเรื่องอนาคตนนมาวิตกวิจาร์อยู่อย่างนี้นะว่าต่อไปนี่เราจะเป็นอย่างไรหนอ เราจะได้อะไรตามประสงค์หรือไม่หนอที่เราตั้งใจไว้นั้นน่ะมันจะเป็นไปได้หรือไม่หนออะไรหมูนี้นะนั่นทนียว่าเอาเรื่องอนาคตมาเป็นอารมณ์อยู่ในปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนี้จิตนี่มันก็สงบลงไม่ได้เลยดังนั้น น, นั่นนั่จึงต้องอาศัยความอดความทนนี่ เข้าช่วยกับสตินั่นน่ะเมื่อความอดทนนี่บางเกิดขึ้นแล้วสติมันก็ตั้งได้มันก็เกิดสัมปชัญญะมันก็เกิดขึ้นมาความเพียรมันก็มีนี่นะความอดความทนในนาะว่าสำคัญไม่น้อยเหมือนกันเลยถ้าความอดความทนไม่มีละความเพียรก็ไม่มีการที่จะพากเพียร ถ้าใจมันไม่ตั้งมั่นก็แทนที่จะภาคเพียนให้ใจมันตั้งมั่นได้มันก็ภาคเพียนไม่ได้เพราะพอเมื่อขาดความอดทนแล้วจิตใจนี่ก็อ่อนแอไปหมดไม่เข้มแข็งเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พึงพากันสันนิฐานดูจิตตรงนี่ว่ามันมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่หรือไม่ ถ้ายังไม่มีสิ่งใดเราก็กำหนดให้มีขึ้นเราก็กระทำบาเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นไม่อช่นนั้นแล้วใจก็จะสงบลงไม่ได้เมื่อใจสงบไม่ได้ปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อขาดปัญญาแล้วมึงเอาตัวไม่รอดแล้วบบนี้นะถ้าเ็นนักบวช ก็ถูกกิเลสมันครอบงำย่ำยีเอาก็ไม่สามารถจะประพฤติพรหมจรรย์ น, นี้ให้สืบต่อกันไปได้ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จะไม่สามารถละบาปนั้นได้ไม่สามารถบำเพ็ญบุญกุศลให้จเจริญ ง, งอก ง, งามขึ้นในตนได้นี่พูดง่ายๆว่า ถ้าขาดคุณธรรมเหล่านี้แล้วก็ไม่สามารถจะละสั่วทำดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เมื่อเป็นเช่นนี้จะเอามรกเอาผลอะไรมาเกิดขึ้นได้นี่ยต้องดำริ ด, ดูให้รู้ <c oughs> แม้แต่โลกียธรรมหรือโลกียกุศลก็ยังไม่สามารถบำเพ็ญให้ จเจริญไม่สามารถบำเพ็ญให้จเจริญงอกงามขึ้นมาได้นี่นีมันจะไปเข้าใกล้มรรคผลธรรมวิเศษได้อย่างไรนั่นแหละทุกคนก็ขอให้ตั้งจิตมุ่งต่อมรรคผลธรรมวิเศษนั่นไว้ถึงแม้ว่าเรายังจะดำเนินไปไม่ถึง แต่เราก็ตั้งเป้าหมายไว้ <c oughs> ไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะไม่บรรลุถึงมรรคผลธรรมวิเศษอะไรได้เลยเมือ่อเมื่อใจมันท้ออยู่แล้วเหมือนถ้านึกถึงมรรคถึงผลจะนี่นลราท้อใจเลยว่าเรานี่คงไม่มีวาสนาที่จะได้ริมรดมรรคผลธรรมวิเศษอะไรเสียเลยอย่างนี้เอาไปนึกคิด อยู่อย่างนี้แล้วใจมันเกาะอ่อนแอลงไปในเข้มแข็งไม่มีความสามารถที่จะทำความเพียนให้ก้าวหน้าไปได้แต่ถ้าหากว่าเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะต้องภาคเพียนไม่ยามไปจนให้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษนุ่น่ะเอ้าชาตินี่ ยังไม่สามารถจะบรรลุได้ก็ให้มันเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปชาติต่อไปนี่เราต้องตั้งเป้าหมายลงไว้อย่างนี้มันถึงจะบรรลุถึงมักถึงผล ท, ที่ตนมีความประสงค์ต้องการนั่นได้เพราะว่า <c oughs> <c oughs> มาพิจารณาเห็นแล้วว่าจิตใจนี่ถ้าหากว่ายังผูกพันอยู่กับธรรมอันเป็นส่วนโลกีนี่ธรรมเหล่านี้มันก็จะพาเจียวเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้อยู่ในวัฏะสงสารอ น, นี่ไม่รู้จักจบจักสิ้นได้เพราะว่า ทำมันเป็นส่วนโลกีน้นี่มันไม่สามารถที่จะละตัณหานี้ให้เด็ดขาดลงไปได้ไม่สามารถที่จะละกิเลสอื่นๆให้ขาดเด็ดไปได้เป็นแต่เพียงว่าบันเทามันลงไปเท่านั้นเองนะทําให้มันอ่อนลงไปทําให้กิเลสน่นนะมันอ่อนแอลงเท่านั้นเอง ไม่สามารถที่จะถอนรากของมันออกได้ต่อเมื่อได้บรรลุมรคลธรรมวิเศษขั้นใดขั้นหนึ่งเข้าไปนั่นก็จึงสามารถถอนรากของกิเลสบางอย่างออกไปได้ถ้าบรรลุถึงอรหัตตะผลแล้วจิตนี่มันก็ถอนรากของ กิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายออกไปได้หมดสิ้นไปเลยนี่แหละลองพิจารณาดูอย่าเพียงแต่ว่ามุ่งที่จะคมกิเลสนี่ให้มันหมูบอยู่ในหัวใจนี่อย่างเดียวไม่คิดไม่พยายามที่จะถอนรากของมันออกอย่างนี้ไม่สมควระ กิเลสแต่ละอย่างนั่นนั่นก็มีรากอย่างลึกอยู่ในจิตใจนี่ น, ะนั่นน่ละเช่นอย่างว่ากิเลสที่มันชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้เนะี่ยมันมันมีมาแต่ดึกดำบันตั้งแต่ชาติใดพบใจที่เกิดมาในโลกสงสารอันนี้เนะ่ะมันก็พอใจในการฆ่าการเบียดเบียนอยู่ น, ะนั่นมา การที่ทำตนเป็นคนมักง่ายชอบหยิบช่วยเอาสิ่งของของผู้อื่นที่เขาไม่ได้อนุญาตให้แม้ของเล็กๆน้อยๆก็าตาม น, น ะ, ะเมื่อได้ฝึกนิสัยใจคอให้เป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ติดตามมานี้ถ้าว่าผู้ใดไม่เห็นโทษของมันนะในอธิษฐานใจละเว้นแล้ว มันก็เป็นนิสัยปัจจัยติดตามมาบางคนนะ่ะไม่คิดที่จะลักล่อเอาสมบัติของคนอื่นมากมายหรอกพอจะเห็นสมบัติเข้าของเงินทองเข้าเล็ก ๆ, ๆน้อยๆเห็นเจ้าของไม่ไม่รักษาเจ้าของเผลอหน่อยหนึ่งเท่านั้นก็ช่วยเอาไปเลยก็มีอย่างนี้แหละ ของเล็กน้อยก็าตามเรื่อกว่าไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยไม่ควรที่จะเข้าใจอย่างนั้นแม่น้อยหนึ่งมันก็เป็นโทษเป็นบาปเหมือนอย่างไฟนี่หละแม้จะมีแสงหน่อยเดียวหนึ่งถ้ามันมีเชื้อมาถูกเข้าอย่างนี้นมันก็ไหม้ขึ้นเป็นไฟกองใหญ่ขึ้นมาได้บาปกรรมความชั่วทั้งหลายก็เหมือนกัน ถ้าทที่นี่นิดหน่อยหนึ่งเอาการต่อไปไปทาอีกนิดหน่อยอีกทำนานเข้านานเข้ามันก็ความรู้สึกมันก็กว่วงออกไปแล้ววันนี้นะไม่กลัวแล้วทำความชั่วได้มากขึ้นไปไเรื่อยๆนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าความชั่วนี่แม้น้อยหนึ่งถ้าเรากำหนดรู้แล้วลน่ะก็กำหนดละพร้อมกันเลยอย่าไปเลี้ยงมันไว้ ไอ้ <c oughs> ความเป็นผู้มากมากในกามทั้งหลายไม่เลือกว่าใครเป็นใครเขามีเจ้าของก็ไม่ว่า <c oughs> อย่างนี้มันล้วนแต่มันบังคับจิตใจตัวเองไม่ได้ไม่ทำใจให้สงบทั้งนั้นแหละ อย่พอใจอยู่แต่อำนาจของกิเลสตัณหาเหล่านี้นะแล้วมันจะไปออกจากวัตตะวนอันนี้ได้อย่างไรอ่ะมันกวนอยู่ในความรักวนอยู่ในความชัง่งวนอยู่ในความหลงความเมาอยู่อย่างนี้นะดวงจิตนี่นะผู้ใดมีจิตใจวนอยู่ในความรักมากๆ ก็ทำบาปด้วยความรักนั่นแหละบันดนี้นะผู้ใดมีจิต ใ, ใจวนอยู่ในความชังความโกรธมากๆมันก็ทำบาปเพราะความโกรธนั่นผู้ใดมีจิต ใ, ใจวนเวียนอยู่ในความหลงความเมาไม่ตื่นตัวไม่พยายามตื่นตัวปล่อยให้ความหลงครอบงามจิตจิตคิดชั่ว ก, ก็ไม่รู้ตัว คิดดีก็ไม่รู้ตัวไม่กำหนดรู้อย่างนี้น ะ, ะถ้าคิดดีได้ก็ทำดีไปแต่ไม่สามารถที่จะรักษาความดีนั่นไว้ได้ก็เพราะมันมันขาดสติสำปจชัญญะหน่อยหนึ่งว่าคลิกไปหาความชั่วไปคิดในทางเหยีความชั่ว อย่างนี้แหละ <clears throat> การที่บุคคลไม่รักษาความคำพูดไว้ได้ก็เหมือนกันนะกะร่วนแต่ขาดสติสมบัตัญญาในทั้งนั้นเลยนอยนก็เผลอพูดผิดไปแล้วการที่บุคคลชอบดื่มสุรายาเมาของเสพติด้โทษต่างๆมนี่ล้วนตั้งแต่ มันพอใจถ้ามันไม่พอใจแล้วมันจะไม่ทำเลยจะไม่บริโภคแล้วมันมันไม่รู้อะระลึกไม่ได้เลยว่ากรรมชั่วห้าอย่างนี้นะมันให้โทษอย่างไรมันให้ทุกข์อย่างไรเมื่อบุคคลทาลงไปแล้วนะ มันลึกไม่ได้สัมปัชชะญีที่มันจะมาวิจารให้เห็นโทษแห่งกรรมชั่วเหล่านี้มันก็วิจาร์ไม่ได้นี่แหละการปล่อยจิตให้ขาดคุณธรรมต่างๆแล้วมันไม่สามารถที่จะละความชั่วได้เลยคนเราอาบำเพ็ญสติสัมปัชชะนี้ให้ เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ได้เช น, นี้แหละมันก็สามารถระลึกได้สามารถมองเห็นได้มองเห็นตัวบาปได้ตัวบาปมันเป็นอย่างนี้หนอเฮ้มันก็รู้ได้จะทละบาปได้อย่างนี้บุญเกิดขึ้นในดวงกิจนี่ก็รู้ี้ อลักษณะของบุญกุศลนี่เป็นอย่างนี้หนออย่างนี้ลักษณะของบุญกุศลนี่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันทําใจให้สงบทําใจให้เยือกเย็นรู้สึกว่าเย็นใจหายจากความกังวลต่างๆนานาหากว่าเป็นบุญกุศลที่เรากลั่นกรองเข้ามาในใจ แท้ๆ แ, แล้วนะมันเป็นอย่างเนี้ยมันจะทําใจให้สงบลงไปอเรีวยกว่าความดีอะไรที่ทําด้วยกายก็ดีไปพูดด้วยวาจาก็ดีแล้วเรานึกน้อมเอาความดีที่กระทําด้วยกายวาจาเข้ามาปรากฏอยู่ในใจนี่อย่างนี้ เมื่อความดีเหล่านั้นมันมารวมกำลังอยู่ที่ใจเรามาเพ่งอยู่ภายในใจนี้นะจนว่าใจนี้มันสงบลงอย่างนีนะ้บุญกุศลความดีที่ทาด้วยกายวาจาเหล่านั้นมันก็มาเป็นกำลังใจนะี่นั่นลยทำใจให้ตั้งมัน่นทำใจเข้มแข็งเข้าไปเรื่อยๆ ดังนั้นในอนุสติสิบนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงทรงสอน เ, ออเมื่อตอนทำบุญทำทานอะไรไปก็ได้ตนรักษาศีลมาโดยลำดับก็ดีก็ให้ระลึกถึงออให้ระลึกเข้ามาในใจนี้ออทานที่ตนให้นี่มีผลดีอย่างไรหนออย่างนี้นะ เ, ออเมื่อนึกทบทวนดูแล้วมันก็มองเห็นผลดี จากการให้ทานนั้นด้วยตนเองได้เลยโอ้ให้ทานอย่างนี้อย่างนี้ย่อมมีประโยชน์แก่ผู้รับอย่างนั้นอย่างนั้น mm. เมื่อมองเห็นว่าการให้การบริจาคของตนนั้นมีประโยชน์แก่ผู้รับจริงอย่างนี้มันก็ดีใจปลื้มใจขึ้นมา mm. อ่นี่แหละความดีอกดีใจความชื่นใจ อันนี้นะท่านเรียก ว, ว่าบุญมันเกิดขึ้นในใจถ้าว่าให้ทานไปแล้วก็เลี้ยวไปเลยไม่มาทำหนึ่งนึกคิดเศตผลต่างๆของการให้เช่นนี้มันก็ไม่ได้ปีตินั่นแหละเมื่อไม่ได้ปีติอา น, นิสงส์มันก็ไม่แรงนี่เป็นอย่างนั้น ในรักษาศีลก็เหมือนกันแต่ผู้ใดไม่น้อมเอาคุณของศีล น, นี่เข้ามาพิจารณาอยู่ภายในใจนี่ให้เห็นว่าศีล น, นี่มีคุณานิสงมากมายแก่ผู้รักษาพระพุทธเจ้ายังตรัสเป็นบาลีไว้ว่าศีลคันโทอนุตตโร กลิ่นของศีลนี่ย่อมหอมหวนยิ่งกว่ากลิ่นดอกไม้กลิ่นน้ำอบน้ำหอมที่ปรุงเอาต่างๆหมดนั่นนะอะกลิ่นของศีลนี่ย่อมหอมหวนไปได้นานกว่ากลิ่นต่างๆดั ง, งกล่าวมานั้นเดี๋ยวว่าอยู่เหนือกลิ่นในดทั้งหมดอย่างนี้นะ แล้วถ้าเราเอามาพิจารณาดูแล้วก็มันก็จะเห็นได้จริงๆว่ากลิ่นของศีลเนี่ยมันหอมหวนใครเห็นเข้าก็ยินดีที่จะคบหาสมาคมไม่รังเกียจคนมีศีลสังวรด้วยดีนั่นเน่ย แม้แต่ผู้ที่เคยเป็นศัตรูมาแต่ก่อนถ้าเห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มีศีลสังวรสำรวมกายวาจาของทนด้วยดีก็อดที่จะนับถือไม่ได้ <Okay. S 1> ความโกรธที่เคยมีมาแต่ก่อนมันก็เบาบางลง <c oughs> ถ้าเห็นผู้นั้นเป็นคนดีไม่ดุร้ายแล้ว อย่างนี้นะท่านจึงว่ากลิ่นของสีงนี้มันหอมหวนหอมไปถึงสวรรค์พรมโลกนูน่นเหมือนอย่างจิตตะทรเลาะบดีผู้เป็นพระอนาคามีแต่ในครั้งพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นผู้แตกฐานในอัจใริธรรมไม่ เมื่อได้บรรลุอนาคามีแล้วนะไปเที่ยวสนทนาธรรมกับพระกับเจ้าบ่อยๆเมื่อเวลาท่านเจ็บป่วยลงใกล้ๆอายุจะหมดลงพวกเทวดาหกชั้นฟ้าก็ลงมาชักชวนให้ไปเกิดในภพของตน แล้วท่านจิตตากลืหาบุรีนั่นก็บอกเทวดาว่าล้อก่อนล้อก้อนหางั้นเปล่งออกทางวาจาเนี่ยญาติญาติได้ยินเข้าก็เข้าใจว่าอุบาสกนี่ละเมอก็ตักเตือนอุบาสกว่าเราไม่ได้ละเมอเทวดามาเชื้อเชิญให้ไปเกิดในภพของตนของตน เราจึงได้บอกเทวดาไว้ว่าขอให้รอก่อนอย่างนี้เราความหมายญาติพี่น้องไม่ค่อยเชื่ออถ้าไม่เชื่อก็ให้เอาพวงมาลัยมาญาติพี่น้องก็หาพวงมาลัยมาให้แล้วอุบาสกนั่นก็อธิษฐานใจแล้วก็โยนพวงมาลัยขึ้นไปบนอากาศนั่น พวงมาลัยก็ไปคล้องอยู่งอนรถของเทวดาไม่ตกลงมาสู่พื้นดินแต่ว่าไม่เห็นดอกงอนรถของเทวดาเห็นแต่พวงมาลัยลอยไปลอยมาอยู่เท่านั้นเองอ ก, ก็มองเห็นตั้งแต่อุบาสกผู้เดียวเท่านั้นนบรรดาติติจึงได้เชื่อแบบนี้ จึงได้เชื่อว่ามีเทวดามาเชื้อเชิญให้อุบาสกนี่ไปเกิดในภพของตนตามที่อุบาสกผู้ไทยฟังนั้นแ้าอย่างนี้เหละเรียก ว, ว่าเป็นผู้มีศีลบริสุทธ์พุทฟ่องมีคุณธรรมอันสูงส่งมากจึงเป็นที่รักใข้ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย คนเรานี่เป็นอย่างนั้นก็พิจารณาเห็นคุณค่าของศีลอย่างนี้แล้วมันก็มีศีลบริสุทธิ์แล้ววนนี้พูดนั้นนะก็รูสํำรวมในศีลอยู่ตลอดไปเลย <c oughs> นี่การที่เรามีวิจารณญาณมันทำให้ ความรู้ความเห็นในธรรมในก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นเมื่อใจมันมาดูดดื่มอยู่ในกุศลธรรมต่างๆเหล่านี้แล้วมันก็ห่างไกลจากอากุศลธรรมแล้ววนันี่ไม่นึกไม่น้อมไปทางอากุศลธรรมแล้วเพราะว่ามันไม่มีช่องนี่เจีตใจนี่มันมีกุศลธรรมนี่เป็นเครื่องอยู่ เลื้อยไปในี่ตลองคิดดูให้ดีทุกคนเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วก็พยายามอะพยายามบำเพ็ญกุศลทมดังกล่าวมาแล้วนีนะ่ให้เกิดให้มีขึ้นในใจนี่เลื้อยไปอย่าให้มีช่องว่างอย่าให้เผล อ, อย่าลืมอย่าลืมต้นคืออย่าลืมดวงกิดนี่ เมื่อรักษาดวงจิตนี้ให้ตั้งอยู่ภายในได้ก็รักษาบุญได้เหมือนกันบุญกุศลที่เกิดขึ้นในดวงจิตนี้ก็ไม่เสื่อมถ้าปล่อยให้จิตนี้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ภายนอกต่างๆแล้วก็บุญคนนี้ก็ตั้งอยู่ในใจไม่ได้ยิ่งเป็นอย่างนั้นอาเวลาใดนึกถึงก็จึงมีมาได้ เวลาลืมตัวไปก็ไม่มีแบบนี้เรามาฝึกขนสติสัมปชัญญะนี่ให้มันลึกถึงบุญถึงคุณถึงความจริงต่างๆนี่ให้ที่ยับเข้าไปเลยทีเดียวว่บนี้เราฝึกเข้าไปอย่างนี้ถ้ามันรู้สึกว่ามันเผลอตัวอย่างนี้ก็รีบตั้งสติใหม่ ตั้งสติมากำหนดรู้กายรู้จิตอันนี้ทบทวนดูความจริงของร่างกายความจริงของดวงจิตนี่เสมอไปอเร่างกายนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามความไม่จริงก็จริงอยู่แต่เมื่อจิตนี่มันเผลอมันไม่หมันระลึกไม่มันพิจารณาดูแล้ว มันอาจจะหลงผิดไปก็ได้จิตนี่นะนั่นแหละมันอาจจะหลงผิดไปว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนไปก็ได้ึ้นเชื่อว่าความเห็นผิดแล้วมันเมื่อเผอสติตรบับเมื่อใดแล้วมันมันเกิดขึ้นได้เมื่อนั้นความเห็นผิดนี้นี่ยนั้นเราต้องพยายามฝึกไปเรื่อยๆแหละ ระลึกถึงกายถึงใจนี่เสมอแล้วสัมปชัญญะก็พิจารณากายพิจารณาใจนี้ได้ <c oughs> พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายความเป็นทุกข์ทนได้ยากลําบากของร่างกายความที่ร่างกายไม่ได้อยู่ในบังคับปัญชาของตนตนไม่สามารถจะบังคับ ร่างกายนี้ให้อยู่ยั่งยืนนานไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเช่นนี้ไม่สามารถจะบังคับได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปยึดถือเอามันไว้ว่าเป็นของตัวของตนทำไมนี่นะมันก็ต้องใช้สติปัญญาสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้เมื่อเห็นภาวะแห่งความจริง ของขันธ์ทางฮาอันนี้แล้วพระพุทธเจ้ายึงตรัสว่าปัญญาปริภาวิตังกิตังสมะเดวะอสเวหิวิมุตติ <c oughs> เมื่อปัญญาอบรมจิตให้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงแล้วก็ย่อมสามารถที่จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายได้ เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอ่ะก็ให้พึ่งพากันสันนิษฐานดูให้ดีจิตที่มันจะหลุดพ้นไปได้นี่มันต้องอาศาาัยการกระทำให้มากนะเจริญให้มากทำของเก่านี่แหละไม่ใช่ของใหม่อะไร ไตรลักษณ์ยานก็ของเกา่าเราพิจารณาอยู่ร้อยครั้งก็ของเกา่านั่นแหละอะไรอะไรก็ของเก่าทางนั้นเลยของมีอยู่ในโลกอันนี้นะนั่นแหละหรื ว, ว่ามีก็มีอยู่กับบุคคล น, นั่นแหละไม่ได้มีอยู่ตามต้นไม้ใบหญ้า ตามดินตามน้ำอะไรหรอกไอเรื่องบุญเรื่องบาปหมุนนี้นะเรื่องความรู้แจ้งในธรรมทั้งหลายดังกล่าวมานี่ถ้าไม่มีอยู่ในจิตใจของคนแล้วเป็นอันว่าไม่มีที่อื่นมานี่ไอคนเรานี่นะกายกับจิตนี่เนะี่ยมันเป็นเชื้อของ บุญและบาปมันเป็นเชื้อของคุณธรรมต่างๆนี่ลองสังเกตดูถ้าไม่มีกายไม่มีใจอันนี้แล้วคุณธรรมต่างๆก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่ทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าน่ะพระองค์ค้นคว้าปฏิบัติไป จนได้รู้แจ้งสัพเพเยธรรมทั้งหลายแล้วนั่นแหละพระองค์เจ้าก็จึงได้ถ่ายทอดความรู้ในคุณธรรมนั้นนั้นให้แก่ชาวโลกทั้งหลายแต่เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่บังเกิดขึ้นในโลกนี้คุณธรรมเหล่านั้นมันก็จมอยู่ในกายในใจของคนเรานี่แหละ มันอยู่ในนี้เองเนี่ยแต่มันถูกอวิชชาตันหาหุ้มห่อไว้ปกปิดไว้ทมของจริงนั้นจริงไม่ปรากฏขึ้นอเป็นอย่างนี้เพราะนั้นให้พากันเข้าใจเมื่อพระพุทธเจ้าได้ละอวิชชาตันหาสัพพกิเลสนอใหญ่ทั้งหลายขาดออกไปแล้ว พระองค์กินได้รู้แจ้งสพรพเพยะยธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลบั้งเป็นอกุศลบัางเป็นอพยากาตาธรรมไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปบ้างทรงรู้แจ้งหมดเลยแล้วก็ทรงแสดงให้ผู้อื่นฟังบนันนี้เมื่อผู้อื่นได้ฟังแล้วได้รู้แจ้งเห็นจริงตามพระองค์แล้วบันนี้ก็เอาก็ไปถ่ายทอดให้คนอื่นที่ยังไม่รู้นั่น ได้รู้ได้เห็นตามตามกันไปเนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าทาทั้งหลายมีบุญและบาปเป็นต้นเหล่านี้นตลอดถึงมรรคถึงผลไม่ได้มีอยู่ดินฟ้าอากาศที่ไหนมีอยู่ในใจของคนเหล่านี่ใจนี่มันต้องได้มาใส่ร่างกายอันนี้ก่อนก็จึงมาบำเพ็ญคุณธรรม ต่างๆนี้ให้เกิดมีขึ้นได้ถ้าไม่เกิดเป็นมนุษย์ก็ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมถ้าถ้าไปเกิดในภพดังกล่าวมานี่ก็ยังสามารถที่จะบําเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้ให้เจริญขึ้นในดวงกิจนี้ได้แต่ถ้าไปบังเกิดในกํำเนิดทางศี เส่นกำเนิดสัตว์นรกกำเนิดสัตว์เดริชานกำเนิดเปรตกำเนิดอสุรกายอย่างนี้นี้ย่อมไม่สามารถที่จะบำเพ็ญคุณธรรมอันนี้ให้เจริญงอกงามขึ้นจนได้บรรลุมรรคธรรมวิเศษอย่างนี้เป็นไปไม่ได้นอกจากมนุษย์และเทวดานี้แล้วไม่มีใครจะบำเพ็ญ ทำของจริงให้เกิดให้มีขึ้นได้เลยเพี่ว่าธรรมันเป็นส่วนโลกีนี่สั์สิ่งเดราญฉานก็บำเพ็ญไดก้ก็เกิดขึ้นได้เป็นอย่างท่านเล่านิทานไว้แต่อดี ต, ตนูนในอดีตตะการนู่นมีพระ หมู่หนึ่งไปอาศัยอยู่ในถ้ำเมื่อถึงเวลาสวดมนต์ท่านก็ไปสวดมนต์รวมกันสวดมนต์อยู่ในถ้านั้นทางขาวที่เกาะอยู่เพดานถ้านั้นได้ยินเสียงท่านสวดมนต์เข้าอย่างนี้ท่างที่ไม่รู้ความหมายอะไรหรอกแต่ว่ายินดีอยินดีในเสียงนั้นเพราะว่าเสียงที่ท่านสวดออกมานะี่ยมันเป็นเสียงอันบริสุทธ์ ไม่แทกอยู่ด้วยบาปด้วยกรรมอะไรเลยขังขาวยินดีในเสียงอันนั้นเท่านั้นเมื่อตายไปยังได้ไปเกิดสวรรค์ท่านฟ้าโน้โอโอโอือย่างนี้แหละจึงว่าไอ้ธรรมที่เป็นโลกีนี่สัตว์สิ่งที่ไรฉันมันก็บำเพ็ญให้เป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะแล้วก็สัตว์ประเภทอื่นๆก็มีเหมือนกันในตำราท่านกล่าวไว้ แต่ส่วนโลกุตราธรรมนี่มีแต่มนุษย์กับเทวดาอินพรมนี่แหละสามารถทาให้เกิดให้มีขึ้นได้ในเมื่อได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนั้นเนี่ยการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยได้อัตภาพร่างกาย อันเป็นมนุษย์นี่บว่านะเป็นลาบอันประเสริฐไม่ควรที่จะปล่อยให้ร่างกายนี้ถูกความแก่ความเจ็บไข้โรคภัยเบียดเบียนแล้วแตกลับทำลายไปเปล่าๆโดยไม่ได้ใช้มันประกอบกุศลขุนงามความดีเท่าที่ควรอย่างนี้นะก็นับว่าน่าเสียดายเพราะฉะนั้นผู้ใด ได้ยินได้ฟังคําตักเตือนอย่างนี้แล้วก็อย่าพากันนิ่งนอนใจพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจใช้กายใช้วาจานี้ทําความภาคเพียรพยายามเข้าไปาบาป ก, กรรมใดที่ยังละไม่ได้ก็เพียรพยายามละมันไปทีละเล็กทีละน้อยไปจนกว่ามันจะหมด อย่างนี้แหละบุญกุศลความดีอนใดที่ตอนยังบำเพ็ญไปไม่ถึงก็พยายามบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจนี้ให้ได้ในเวลาที่ร่างกายอันนี้ยังมีกำลังเรี่ยวแรงดีอยู่ถ้าหากว่าปล่อยให้ร่างกายนี้มันชุดโทมลงไป ความแก่ความชรามันบีบคั้นเอาแล้วมันไม่มีกำลังวางชาที่จะประกอบกุศลคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้นี่พากันตื่นตัวเพราะนั้นผู้ที่ยังหนุ่มยังแน่นนี่ เ, เมื่อได้ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในบวรพุทธศาสฒนานี้แล้วก็ไม่ควรที่จะประมาทลังเลใจ ควรลงมือบำเพ็ญให้เป็นไปเลยเพราะว่าไม่มันไม่ไมีอุปสรรคอะไรที่จะมากั้นกลางไม่ให้ทำความดีได้ถ้าจะมีก็มีตะ ก, กี้เลสภายในหัวใจตัวเองนั่นเนี่ยการละชั่วทำดีเนี่ยยังว่ามันเป็นคู่กันไปถ้าไม่ละชั่วออกไปแล้วก็ทำดีไม่ได้ออย่างนี้นะ ดังนั้นผู้ที่ปรารถนาความดีอย่างนี้แหละมันก็ต้องเบื่อหน่ายต่วความชั่วถ้าต้องการความดีแล้วก็พยัยยินดีกับความชั่วอยู่อย่างนี้นะมันจะทำความดีให้เจริญงอก ง, งามไปไม่ได้เลยทำได้กันน่นิดหน่อยเท่านั้นเพราะว่าความชั่วมันคอยขัดขวางอยู่เสมอ ดังนั้นนะ่ะการที่บุคคลมีกำลังเรี่ยวแรงกำลังกายก็แข็งแรงกำลังใจก็เข้มแข็งอย่างนี้แนละเราสามารถทำความเพียรละกิเลสปา ป, ปรธรรมนี้ได้จริงๆเลยนะอั น, อ น, อนการที่ได้อัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์มานี่นะั <c oughs> ่นยกตัวอย่างเช่นความโลภอย่างนี้นะ เมื่อมันมีอยู่ในใจของผู้ใดผู้นั้นเพียรละความโลภนั้นพี่นาเห็นโทษเดีงความโลภเลยว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นสร้างกรรมสร้างเวรใส่ตัวเองถ้าไม่ละความโลภอันนี้นะเมื่อมันเห็นโทษเดีงความโลภอย่างนี้นะมันก็บริจาคทานได้มันก็ไม่ไปแย่งไปชิงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนก็ไม่ได้สร้างบาปสร้างกรรม ไม่ได้ข่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้ประพฤติผิดมิตรฉาจานกรรมทําชู้กับสามีหรือภรรยาคนอื่นไม่ได้พูดโกโหกหกกลมหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนด้วยวาจาอันไม่จริงนั้นก็ไม่ชอบเดิมสุราเมลยัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดต่างๆ มูนี่ไม่ต้องการแล้วสำหรับผู้ที่มาเห็นโทษแห่งบาปกรรมความชั่วต่างๆมูเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้หากว่าเป็นผู้ละความโลภเหล่านี้ออกจากหัวใจแล้วให้ทานก็ได้รักษาสิ้นก็ได้ภาวนาก็ได้ เมื่อความโลภวบาบางไว้ความโกรธมันก็เบาไปตามกันเป็นอย่างนั้นความโกรธจะมีได้ก็เพราะว่าเมื่อบุคคลต้องการสิ่งใดกับใครและอย่างนี้เมื่อไปแสวงหาไม่ได้ตามประสงค์ก็โกรธให่บุคคลที่ขาดของตนนั้นเนีอยนนี้นะ ลองสังเกตดูอย่างว่าทานาทาสวนได้ข้าวมาเอาไปขายถูกเขาโกงตาช่างตาชิงเข้าไปรูภายหลังโกรธอย่างนี้นพยาบาทเข้าไปไอเรื่องความชั่วน่ะมันคอยที่จะขัดขวางเรื่อยไป ให้บุคคลเราทำความดีไม่ได้ถ้าบุคคลไม่โลภแล้วเอออะคราวนี้มันพลาดไปแล้วให้เขาโกงเอาไปซะส่วนที่มันโกงได้นะก็แล้วไปต่อไปเราจะระมัดระวังจะไม่ให้เขาโกงเขาช่อได้คิดได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปคิดแก้แค้นตอบแทนบุคคลผู้ที่ช่อโกงตนนั้น กรรมเวรต่างๆมันก็ไม่มีอย่างนี้แหละเอาอบรมภาวนาเข้าไปจิตใจตั้งมั่นลงไปมันไม่หลงไม่เมารู้ว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้มันผิดก็เว้นไม่ทำไม่พูดแล้วก็พยายามทำพูดแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนั่นเช่นนี้นะ ก็ลองสังเกตดูสิเมื่อบุคคลละบาปลงไปแล้วบุญก็เกิดขึ้นในใจขึ้นมาได้ทันทีเอแล้วใจก็ค่อยบริสุทธิ์ไปเรื่อยนี่การภาวนามันก็เป็นการชำระกิเลสนี่ให้ออกไปจากดวงกิจนี่เรื่อยไปและคนภาวนาทีไรน ะ, ะเมื่อผ้าเพียนไปไม่ท่อไม่ถอยนะ จนวใจสงบลงแล้วก็จนปัญญาเกิดขึ้นพิจารณาเห็นสังขาร น, นามรูปนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกขังที่ภาวนาสมาธิอย่างนี้เมื่อทำให้กิเลสเหล่านี้เบาบางออกไปจากดวงกิรยนี้เรื่อยไปหละมันจะขาดทีเดียวยังไม่ได้เพราะว่าอินทรียังอ่อนอยู่ ดังนั้นะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปอย่าท้ออย่าถอยเช่นนี้แล้วก็สามารถที่จะรวบรวมบุญกุศลคุณความดีต่างๆให้จเจริญ ง, งอกงามขึ้นในดวงกิจนี้ได้ดังแสดงมา